บวชทำไมเรามาพิจารณาดูประโยชน์ของการบวช ด, ดูบ้างว่าเราบวชทำไมบวชเพื่ออะไรจะว่าบวชเพื่อหาความสนุกหรือก็เปล่าเพราะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยที่ภายใต้ร่มกาสาวพัดนั้นจะมีส่วนยี่ยนชวนเพลิดเพลินผมซึ่งไม่เคยเหือดจากน้ําหอมและไม่เคยห่างจากการแต่งทุกเมื่อเชื่อวันนั้นผู้บวชโกนทิ้งหมดแม้แต่คิ้วและหนวดก็โกนเกลี้ยง เสื้อผ้าต่างสีต่างทรงก็เลิกใช้เปลี่ยนเป็นเครื่องแบบของพระซึ่งมีอยู่แบบเดียวเป็นผ้าสำเร็จรูปตัดแบบง่ายง่ายไม่มีการวัดตัวผ้าก็เนื้อหยาบสีเหลืองทั้งชุดและไม่มีการเรียดการอาจแต่อย่างใดสายสร้อยสังวานเพชรพลอยและเครื่องประดับต่างๆเจ้านาคเปลืองออกส่งคืนให้ญาติหมดสิน้นแต่ตอนเปลี่ยนเพศเป็นบรณรชิตสิ่งที่ประดับให้สวยงามไม่มีสักนิด มือซึ่งเคยถือคิวเดินรอบโต๊ะแทบไม่เว้นแต่ละวันก็จะเปลี่ยนเป็นมือที่พนมอัญชลีสงบนิ่งอยู่หน้าพระพุทธปฏิมาวันละหลายๆายชั่วโมงการร้องรำทำเพลงตลกเฮฮาเลิกหมดเปลี่ยนเป็นการพร่ำสาทยายพระปริษตามแบบภาษาบาลีวันแล้ววันเล่าแล้วจะมีความร่าเริงบันเทิงใจอันใดเล่าในการบวชและก็แน่อีกเหมือนกัน ที่ผู้บวชจะไม่ได้รับความอิ่มหํำสำราญยิ่งกว่าอยู่เป็นฆราวาดเพราะชีวิตพรหมจรรย์เป็นชีวิตสันโดษสุราห้างกลิ่นไม่ต้องพูดถึงละเวลาอาหารวันหนึ่งวันหนึ่งมีเพียงหชั่วโมงตั้งแต่รุ่งอรุณถึงเที่ยงวันเท่านั้นนอกจากเวลานี้แล้ววัตถุจำพวกอาหารจะล่วงลำคอลงไปไม่ได้แม้แต่อาหารวัตถุที่แปรรูปแล้วเช่นแป้งครีมและนม ชนิดที่เป็นอาหารถ้าฉันก็ต้องอาบัดนี่แหละชีวิตของผู้บวชเป็นชีวิตที่ฝืนกระแสะโลกจริงๆการตกลงใจปลงผมโกนหนวดเข้าบวชนั้นถ้าเรามองให้ลึกซึ้งจะเห็นได้ว่าเป็นการแปลงใจที่เต็มไปด้วยการเสียสละทีเดียวเสียสละความสวยงามทั้งสิ้นที่โลกนิยมเสียสละความเรื่องเรองทั้งสิ้นที่เราชอบ ตัดทอนความอิ่มหนำสำราญที่ร่างกายต้องการเสียสละผลประโยชน์ทางครอบครัวและผู้บวชได้ทำให้คนอื่นเสียสละตามอีกด้วยเช่นมารดาบิดาบุตรภรยาของผู้บวชต้องเสียสละเงินทองและผลประโยชน์ที่จะพึงได้จากผู้บวชมิตรสหายยอมเสียสละทรัพย์สิ่งของอนุโมทนาในการบวชประชาชนต้องเสียสละค่าปลาอาหาร เลี้ยงชีพให้ผู้บวชตลอดไปสําหรับผู้ที่เป็นข้าราชการลาบวชยังทําให้ราชการแผ่นดินต้องเสียสลาผลประโยชน์ที่จะพึงได้จากข้าราชการผู้นั้นโดยไม่ได้ตัดทอนเงินเดือนของผู้นั้นลงเลยและประการสําคัญที่ข้าราชการผู้บวชจะพึงคํานึงไว้เสมอคือรัฐต้องเอาเงินภาษีอากรซึ่งเก็บจากประชาชนมาจ่ายคือเงินเดือนเลี้ยงครอบครัว บุตรภรยาบิดามารดาให้เท่ากับข้าราชการที่ลาบวจนั้นเป็นหน้าของประชาชนหรือประชาชนได้ให้ความอุปการะแก่ผู้นั้นเป็นพิเศษนี่แหละท่านถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วรวมประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงที่ผู้บวชและผู้เกี่ยวข้องได้เสียไปแล้วตีราคาเป็นเงินดูก็จะเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยการเสียสละอันใหญ่หลวงนั้นหวังสิ่งใดเล่า พูดมาถึงตรงนี้คิดถึงคําพูดของตาลุงอะไรคนหนึ่งจําไม่ได้เสียแล้วเพราะล่วงมาหลายปีข้าพเจ้านั่งเรือจ้างเข้าไปคลองบางมดแต่คนแจ่าเรือลํานั้นคุยอะไรให้ฟังหลายอย่างเพื่อแก้รําคาญตามธรรมเนียมของคนแจวเรือจ้างในคลองคุยไปคุยไปตอนหนึ่งแกเล่าถึงเรื่องลูกชายคนโตของแกว่าลูกชายผมมันบวชเสียพ้าเหลืองเปล่าๆบวชตั้งพรรษา ศึกออกมาเล่นหมักรุกก็ไม่เป็นสังเกตดูแกพูดเอาจริงเอาจังสแสดงว่าเสียใจจริงๆดูเธอแกอุตส่าห์บวชลูกทั้งคนโดยหวังผลอันตับฆ่าหรือประมาณเป็นเรื่องขบขันคล้ายๆคนที่เสียเงินขึ้นเครื่องบินไปถึงอเมริกาเพื่อซื้อไม้จิ้มฟันอันเดียวเท่านั้นเองไม่ใช่แต่ตลุคนนั้นซึ่งเป็นคนอ่อนการศึกษาขอโทษเธอคนอื่นๆก็ยังมีอีกไม่ใช่น้อย ที่บวชสมเดือนสึกออกมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าการบวช ด, ดีอย่างไรดีตรงไหนบางคนเที่ยวคุยอวดเพื่อนๆ เ, เสียด้วยว่าได้เที่ยวฉันข้าวป่าสนุกดีแหมเล่นหมากรุกวันยังข้ามเลยและคําอื่นๆ อ, อีกในทํานองนี้นี่เป็นผลที่บางคนเข้าใจว่าตนได้จากการบวชข้าพเจ้าขอโทษที่ต้องพูดอย่างนี้คราวนี้ เชิญหันมาพิจารณาผลการบวชตามพระพุทธประสงค์ดูบ้างพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสังฆ บ, บิดรทรงอนุญาตให้กลบุตรบรรพชาอุปสมบทในศาสนาพูดง่ายๆคือทรงบัญญัติวิธีบวชขึ้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวเท่านั้นคือให้ผู้บวชได้กระทำที่สุดแห่งทุกข์หมายความว่าให้อาศัยการบวชนี้ทาตัวให้ผลทุกข์และที่ว่าผลทุกข์ผทุกข์นั้น คือพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่าอยู่ในสงสารทุกข์ไม่ใช่อยู่เป็นคาวาดทำงานเหนื่อยเต็มทีจึงบวชหลบงานถือว่าผ้นทุกข์ที่การงานไม่ต้องทำไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่เป็นคารวาดทำมาหากินไม่สะดวกจึงบวชเพื่อให้พ้นจากทุกข์ที่หากินไม่พอปากพอท้องนั้นไม่ใช่เพียงเท่านั้นที่ว่าพ้นทุกข์นั้นหมายถึง พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดในสงสารทีเดียวความพ้นทุกนี่แหละคือผลแท้จริงของการบวชส่วนผลอย่างอื่นตามที่บางคนเข้าใจกันเช่นถือว่าการบวชเป็นการแทนคุณบรรดาบิดาหรือว่าบวชเพื่อชุดพ่อแม่ขึ้นจากนรกผลเหล่านี้เป็นเพียงผลพลอยได้คือผู้บวชหมายมั่นปั้นมือจะทาความพ้นทุกแก่ตนแต่พลอยได้ผลเหล่านี้ด้วยเหมือนช่งางใส่ไม้จะทำตู้ แต่ได้ขี้กบทําเชื้อไฟด้วยตู้เป็นผลที่หมายส่วนขี้กบเป็นผลปล่อยได้การบวชก็เหมือนกันที่หมายหลักอยู่ที่ความพ้นทุกข์นอกกนั้นเป็นผลปล่อยได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติให้ตัวพ้นทุกข์ถ้าใครบวชโดยตั้งความมุ่งหมายเพียงแต่ว่าบวชให้คุณแม่บวชให้คุณย่าและอื่นๆก็เป็นการหวังผลปล่อยได้เหมือนลงทุนซื้อไม้สักอย่างดี อามาสัยกบเพื่อเอาคี้กบก่อไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้มีศรัทธาจะบวชในศาสนาควรจะตั้งความมุ่งหมายให้ถูกหวังผลให้ตรงตามพระพุทธประสงค์แม้จะบวชเพียงสามเดือนซึ่งเป็นเวลาอันสั้นยากที่จะปฏิบัติให้บรรลุที่หมายปลายทางแต่เมื่อตั้งความมุ่งหมายถูกแล้วท่านก็จะได้รับผลชั้นรองลงมาคือจะได้พบความสุขที่เยือกเย็นแปลกประหลาดจิตใจที่ดิ้นรนกระสับกระส่าย รังแต่จะให้ทำความชั่วนั้นจะกลายเป็นจิตใจที่สงบเงยือกเย็นมั่นคงในความดีนิสัยอันใดที่เคยทำความหนักใจให้พ่อแม่ให้ลูกเมียให้ผู้บังคับบัญชาและแม่แต่ตนเองก็แก้ไม่ตกมาก่อนนิสัยอันนั้นจะบรรเทาเบาบางหรือหมดสิ้นไปทีเดียวทานน้ำตาของแม่ที่เคยหลั่งไหลเพราะความเกเรของลูกจะเหือดแห้งกันเสียทีความร้อนระอุแทบระเบิดในหัวอกพ่อ เพราะการกระทำของลูกก็จะดับสนิทลงการที่ผู้บวชทำให้ผู้บังเกิดกล้าพ้นจากความทุกข์ทรมานอันเผาหล่นใจอย่างนี้เป็นการจุดท่านขึ้นจากนรกทันตาเห็นฝ่ายผู้ที่มีลูกเมียซึ่งเคยทาให้ลูกรักเมียขวัญต้องร้องไห้ตรอมใจมืดมนในอนาคตของตนเพราะว่าความสงบมั่นคงที่ฝึกอบรมมาจากการบวชนั้นจะเป็นโอสดวิเศษฉโลมหัวใจให้สดชื่นมีรรย มันเป็นของขวัญที่มีค่าเหนือของขวัญใดๆน้ำใจอันดีที่ได้อบรมเมื่อคราวบวชนั้นจะเป็นของฝากสำหรับมิสหายมีค่ามากกว่าของฝากอย่างอื่นความซื่อสัตย์มั่นคงต่อหน้าที่ที่พระอุปัชฌาอาจารย์พร่ำสอนให้ตลอดไตรมาสนั่นแหละคือผลกำไรอันหาค่ามิได้ที่ทางราชการและผู้บังคับบัญชาจะพึงได้รับรวมความว่าการบวชซึ่งใช้เวลาเพียง3ถึงเดือน ได้บังเกิดผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลทั้งแก่ตนแก่บิดามารดาบุตรภรรยาญาติมิตรและผู้บังคับบัญชาตลอดจนแก่ประเทศชาติและมหาชนถึงเพียงนี้แหละให้ได้ผลมหาศาลอย่างนี้เพราะเหตุที่ผู้บวชแล้วเป็นผู้ทําความสุขให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างนี้แหละคนโบราณจึงเรียกว่าคนสุขตรงกันข้ามกับคนที่ยังไม่ได้บวชเรียกว่าคนดิบ ของดิบนั้นเป็นของที่อาจทำให้คนน้ำตาร่วงได้เช่นมะม่วงดิบรสเปรี้ยวใครกินก็น้ำตาไหลคนดิบก็เหมือนกันเป็นลูกใครก็ชอบทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลเป็นผัวใครก็ชอบทำให้เมียน้ำตาไหลที่ว่านี้ว่าโดยทั่วๆไปไม่ใช่อย่างนี้ทุกคนคนที่ไม่ได้บวชแต่เรียบร้อยดีก็มีมากเป็นคนดิบจริงแต่ดิบอย่างมะม่วงมันอย่างไรล่ะแต่ว่า เพียงแต่เราตั้งความมุ่งหมายและปรงผมโกนหนวดนุ่งผ้าเหลืองเท่านั้นถ้าไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยก็ไม่มีหวังได้รับผลดังกล่าวนั้นเลยยิ่งถ้าผู้ใดบวชแล้วประพฤติฝ่าฝืนเหยียบย่ำพระธรรมวินยัยด้วยขาดความละอายเกียจใจผู้นั้นก็จะกลายเป็นคนบาปหนักในฐานะเป็นคนลุงโลกและเป็นโจรปล้นศาสนาศึกมาแล้วก็เสียใจจนวันตายเพื่อบรรลุผลตามความมุ่งหมายของการบวช พระพุทธเจ้าได้ทรงวางแผนการศึกษาไว้สามหลักคือผู้บวชจะต้องปฏิบัติควบกันไปคือหลักที่หนึ่งศีลสิะขาผู้บวชต้องศึกษาอบรมในศีลคือวินยัยได้แก่เว้นจากข้อห้ามทำตามข้อที่ทรงอนุญาตเป็นพระก็ต้องปฏิบัติตามวินยัยอย่าทำอะไรตามอำเภอใจอย่าลืมว่าเดิมทีตัวเราเป็นครวะใจก็เป็นอย่างครวะ ถือชอบอะไรอะไรเหมือนคารวาสครั้นเข้าไปบวชเป็นพระใจก็มักจะหนีออกนอกวัดบ่อยๆคือไปชอบอะไรอะไรตามเดิมอย่างใจชาวบ้านเราจะต้องพยายามข่มใจไว้ต้องเอาใจเราผูกไว้กับพระวินัยใจจึงเปลี่ยนเป็นใจพระเพราะพระวินัยเท่านั้นที่ทําให้คารวาสกลายเป็นพระยกวินัยออกเสร็จแล้วพระก็กลับเป็นคารวาสเท่านั้นเองส่วนธรรมะ เป็นข้อปฏิบัติทางจิตทุกคนย่อมปฏิบัติได้หลักการปฏิบัติวินัยนั้นข้อสำคัญอย่าฉุดวินัยลงมาหาตัวแต่จงดึงตัวขึ้นไปหาวินยัยเหมือนเราอยากอยู่ที่สูงต้องปีนขึ้นไปบนยอดเขาตัวจึงจะสูงไม่ใช่คิดพังภูเขามาหาตัวหลักที่สองจิตศิษขาคือศึกษาอบรมจิตมีหลักย่อๆคือ บวชแล้วต้องพยายามขับไล่ความโลภความดุร้ายความหลงผิดความอิจฉาตาร้อนความเลาะและและอื่นๆและความไม่ดีต่างๆออกไปจากจิตของตนให้มากที่สุดและอบรมใจให้ยึดมั่นในความดีหลักที่3ปัญญาศิกขาคือศึกษาอบรมให้เกิดปัญญาความฉลาดโดยวิธีสุจิปุลิ เรื่องที่จะศึกษาหาความรู้นั้นควรจะสนใจเรื่องธรรมะและวิม่ไหเท่านั้นส่วนความรู้ทางโลกควรระงับไว้ก่อนหนังสือเล่มแรกที่ผู้บวชต้องรีบหยิบขึ้นศึกษาให้เข้าใจคือหนังสือนวกโกวาดอย่างน้อยที่สุดต้องศึกษาให้จบนวกโกวาดซึ่งเป็นหนังสือหนาประมาณ80หน้าเศษเท่านั้นอีกด้านหนึ่งวัดแต่ละวัดท่านมีระเบียบการปกครองอยู่เรียกกติกาสง์ใครบวชอยู่วัดไหน ต้องเคารพกฎิกณ์ของวัดนั้นอย่าประพฤติหยบย่ำหรือตั้งตัวเป็นเจ้าถ้อยหมอความในวัดให้อุปชาอาจารย์นักอกหนักใจเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าเสียหายไปถึงญาติโยมอีกด้วยข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องเลือกบวชในสำนักที่ทางวัดเอาใจใส่อบรมพระบวชชั่วคราวและจัดให้ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องแท้จริงผู้บวชต้องคิดในใจว่าเราอยากให้ตัวเป็นทอง จะกระโดดลงไปชุบตัวในบ่อต้องเลือกบ่อที่น้าเป็นทองจริงๆเวลาขึ้นจากบ่อแล้วตัวจึงจะเป็นทองถ้าเลือกบ่อผิดกระโดดลงบ่อน้ำโสโครกเข้าตัวจะเปล้อเปื้อนเป็นหิดเป็นกลากเสียปเปล่าการเลือกวัดบวชนั้นไม่ควรใช้เหตุผลเพียงแต่ว่าวัดใกล้บ้านเท่านั้นเพราะเป็นเหตุผลที่เบาเกินไปสาหรับการบวชของเราซึ่งเต็มไปด้วยการเสียสละ เมื่อพูดถึงเรื่องบวชแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องศึกสักนิดหน่อยคือผู้ที่เคยบวชและศึกแล้วก็ควรจะสํารวจตัวเองดูเสียทีคือตรวจดูนิสัยใจคอของตอนเองความแข็งกระด้างหยาบคายต่างๆที่มีอยู่ในตัวเมื่อก่อนบวชนั้นได้เบาลงบ้างหรือเปล่ารู้สึกว่าใจเรารักเหตุผลรักความถูกความดีและมีเมตตากรุณามากขึ้นบ้างไหมถ้าความประพฤติและจิตใจของเรา ดีกว่าก่อนบวชเป็นการบวชที่ได้กาไรเท่ากับก่อนบวชเป็นการบวชเสมอตัวเล็วกว่าก่อนบวชเป็นการบวชขาดทุนเสียผ้าเหลืองเปล่า เ, าเรื่องนี้ขอฝากไว้สำหรับท่านที่คิดจะบวช ด, ด้วยความเคารพของผู้เขียน